ท่านพระอาจารย์เทศอบรมคณะดเรเชาที่กลับมาจากวัดป่าสุทาวาสในงานทอดกระถิ่นสา ม, มัคคีในวันที่11พฤศจิกายนพศ2515ณวัดป่าวันตาด จ, จังหวัดอุดรธานีมาท่านกําหน ตามระยะตามผู้สิทธิผู้สิทธิในขันเริ่องเนี่ยคอยฟังคำเทศน์นั่นเป็นคำเมตกรรมเมื่อเราคำเมตกรรมคือจิตรับทราบอยู่กับขนาดที่ฟังเทศเป็นระยะระยะระยะมันก็สงบตรงเองคือไม่ได้ส่งไปข้างนอกเส้นสพมหาผู้เทศยังทำความรู้สึกไว้กับใจของเราโดยเฉพาะแต่มัน เรื่องธรรมก็เข้าไปสัมผัสที่ใจแต่เมื่อรับภาพจากความสัมผัสของคําอยู่เสมอเสมอก็สงบกันไปที่มีโผสมาที่อยู่แล้วพอกําหนดนี้หิุมันก็มันก็หยุดนะครับกระแแต่งธรรมก็ผ่านเข้าไปผ่านเข้าไป คิดสงบร้อยตามธรรมนัม่นก็สงบลงไปอขั้นที่สามคิดหยุดหยุดในข่านปัญญาพอท่านแสดงทำขั้นนี้คิดไม่หยุดแต่ไม่ได้ไปที่อื่นอาจไปตามระยะตามจังหวะของธรรมที่ท่านแสดยงยึกขึ้นอย่างลีย จิตก็ขยับตามไปเรื่อยเรื่อย น, นี่ดิจิตธรรมปัญญาเป็นอย่างนั้นยิ่งปัญญาสูงละเอียดเท่าไรธรรมะก็สูงเท่าไรก็ยิ่งตามกันได้อย่างคล่องแคล่วทั้งสามสี่ขั้นของจิตนี่ การทมที่ท่านแสดงนั้นเหมาะสมกันเป็นระยะระยะระยะและเป็นความเกินไปในการตังเช่นเดียวกันแต่เพินตามขั้นของตนของฐทงนั้นเพราะนั้นผู้ฟังทำจึงสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ตามความสูงต่ำของตนซม่อผู้ต่ำก็ค่อยขยับขึ้นไปผู้สูงก็พอผ่านก็ผ่านไปได้ ่านที่ท่านพูดว่าท่านบรรลุธรรมในขณะฟังเทศเป็นอย่างไ น, นมีเรากำลังเริ่มฝึกหัดพยายามเริ่มอ่านเริ่มเขียน่านตัวเองเขียนตัวเอง วันหนึ่งหนึ่งเราอ ย, อยู่กับหน้าที่การงานงานของเราที่ทำนั้นมีทั้งงานภายในคือความคิดอ่านต่างๆทั้งวาจาที่จะต้องพูดออกไปเกี่ยวกับความคิดที่ระบายออกมา ทางกายที่เราจะพิมกระทาตามจิที่วงการออกมาเราอ่านเราตรองไปตามอันไหนที่ไม่ดีเช่นเดียวกับเราเขียนเราเขียนหนังสือเขียนตัวไหนไม่ดีเขียนแล้วลบใหม่เขียนใหม่แล้วลบเขียนแล้วอ่านดูอ่านแล้วลบ เขียนจนทำนิทำนามอ่านจนทำมิทำนานจนเกิดความเข้าใจความเข้าใจก็ชินการเขียนก็ชินการอ่านก็ชินเมื่อชินแล้วย่อมไม่ผิดพลาดการเขียนก็ไม่ผิดการอ่านก็ไม่ผิดเพราะความจำํำนานมีการพยายามฝึกหัดอ่านตัวเองเขียนตัวเอง แก้ไขดัดแปลงตนเองในหน้าที่การงานก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเพราะคำว่างานนี้จะพาออย่างยิ่งงานของฆราวาสนั้นกว้างขวางมากยิ่งกว่างานของพระงานที่กว้างขวางอาจจะเป็นงานที่ผู้ไม่ค่ควรในงานของตนนั้นจะมีผิดภาพมากถรือไม่น้อย ทำว่าผิดพาาดนั้นไม่ว่าอะไรไม่ใช่เป็นของดีแต่เราเดินไปเฉยๆเนี่ยเราเหยียบผิดพาาดไปทำให้ลื่นแล้วหกล้มไปได้การผิดพาติในการงานของเราก็เหมือนกันถึงต้องไหน สํเนียบทกษาในหน้าที่การงานของตนงานคารวาสมีหลายประเภทงานจริงก็มีงานที่ปลอมเข้าไป แ, แสงงอยู่ในงานจริงก็มีคาว่าปลอมนั่นก็ไม่ใช่ของดีเหมือนกันเช่นธนาบัตรปลอมเนี่ยแม้าจะเหมือนธนาบัตรจริงทุกอย่างก็คือธนาบาททนัตรธนธนบัตรปลอมอยู่นันแหละ งานของเราก็เหมือนกันงานหนึ่งเราทำจริงทําจังแต่มันแอบบแบบแฝบงบแสบงบแสงก็เรียกความเสียหายเสียหายแก่ตนด้วยเสียหายแก่คนอื่นด้วยก็ไม่ดีคนเข้าใจว่าเป็นรายได้แต่เป็นความเสียหายแก่คนอื่นเป็นความเสียหายแก่โลกอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นงานที่ควรจะทำงานบางอย่างเป็นความสนุกสนานรื่นเริ ง, งสนับสน แต่เป็นงานที่ทำความเสียหายแจกตนอย่างลึกลับและเป็นงานที่เสียหายแจ่ครอบครัวและหน้าที่กันงานอนตึก็มีงานเช่นนี้คืองานอะไรเราก็ขอจะทราบได้เป็นการดืดมงุูรามีไร จนเลยขอบเขตเต็มเขตทั้งเสียทั้งจิตใจและสติปัญญาทรัพย์สมบัติมีการพนันอย่างนี้เหมือนกันเราเพลินเวลาเราทำลงไปเราเพลินในการทำแต่ความเพลินนั้นไม่ทราบไม่ทราบว่าความพิหายจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อไหร่ทำมา ง, งานก็ปรินาพิจารณาตามนนั้ น, นี่ย้อนเข้ามาอีกงานฝึกหัดเรานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญมากป็นเราปกติรามาควีแบบทบับบเป็นเครื่องดำเนินของตอนเองคือตามธรรมดาของคนาเมดีกั้ทั่วไปโดยมากต้องมีแบะฉบับเป็นเครื่องดำเนินมีกฎมีกติกาอยู่ภายในใจแม้จะไม่เขียนไว้ไม่ได้เขียนเอาไว้ตาม ขระดาษที่ตามหนังสืออะไรก็ตามแต่มีกฎมีกติกามีสัญญาเครื่องวัดเครื่องตวงตัวเองให้ทราบเป็นการเตือนตนอยู่เสมอคนเรานั้นชอบเตือนคนอื่นไม่เตือนตัวเองก็ต้องเตือนตัวเองคนอื่นไม่บังคับตนเองก็ต้องบังคับตนเองเสมอจิองจะเตืนไปในขอบเขตไม่นั้นก็จะเลยขอบเขตไปเรื่อยๆ เนกายเป็นคนไม่มีขอบเขตไม่มีหลักไม่มีเต็มไปได้ไเพราะยางยิ่งการพยายามฝึกหัดตนเองให้อยู่ในขอบเขตมีสาคัญมากวันหนึ่งๆเราควรอ่านตัวเองเสมอว่าวันนี้ได้มีความผิดพลาดไปในทางใดบ้าง มีความเสียหายเกิดขึ้นจากตัวของเราอย่างไรบ้างหรือมีความเจ็บช้าจิตใจจากคนผู้เกี่ยวขอ้องเฉพาะอย่างน่งคือครอบครัวหรือไม่หรือคนอื่นใดบ้างที่การกระทำํำของเรานี้เป็นการกระทบกระเทือนแอก่คนเหล่านั้นนี่เราต้องคิดเสมอ แม้คนอื่นไม่ทราบไม่เห็นก็ตามแต่การกระทำนั้นเป็นการกระเทือนตนเองหรือไม่การกระเทือนตนเองก็คือคคทําความเสียหายสั้หลับตนมีเราต้องควรคิดมีเำียกว่าหัดคิดหัดอ่านอ่านตัวเองคิดตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองไปโดยลำดับศาสนาเป็นของละเอียดเป็นธรรมที่ละเอียดมากเพราะฉะนั้นจึงไม่ค่อยมีในภูมิของศาสนา ศา ส, สนาท่านวางไว้สำหรับมนุษย์เพราะมนุษย์เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถที่จะไตรตรองนี้ปฏิบัติตามหลักศาสนาจนปรากฏผลขึ้นมาแต่ตนได้ไม่เหมือนกัตวัดไม่มีอะไรเป็นข้อบัญญัติกฎเจนให้เขาดำเนินตามนอกจากจุดงานให้เขาเท่านั้นงานกองงานตามประเภทของสัดว์ที่สามารถจะทําได้ไม่เลยขอบเขตของเขาไป แต่มนุษย์เรามีความเฉลียวฉลาดจึงสามารถรับศาสนาธรรมทำสั่งสอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าทุกๆองค์จึงต้องมาตรัสรู้และเป็นศาสตราของโลกมนุษย์เราแม้ต่ว่าเป็นศาสตราของโลกทั้งสามประการก่อนอื่นก็ต้องเป็นศาสตราของโลกมนุษย์เรานี้ก่อนศัตนาจิงมาติดติดอยู่กับมนุษย์เรา เราเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งขอบควรให้มีศาสนามีหลักมีเกียนมีเหตุมีผลประจําตนคือมีอัดมีธรรมมีกดเกียนข้อบังคับตนเองในทางที่ถูกพยายามปฏิบัติตนในวันหนึ่งหนึ่งการฝึกตนนี้เป็นสิ่งทสําคัญมากฝึกก็ยากผมก็ดีมีความราบเรื่นดีงามโดยสม่ําเสมอเพราะการฝึกตนติ เต็นเราไม่เคยสนใจกับวัดวาอาวาสไม่เคยสนใจให้ทานรักษาศีลไปเดินภาวนาไม่เคยฝึกหัดตัดแตง่งกายวาจาให้เป็นไปในขอบเยดแห่งอัจแห่งธรรมเลยแล้วก็พยายามพยายามไปทุกวันทุกวันการพยายามอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นก็เป็นการฝึกหัดคนไปในตัวเช่นเดียวกับเราฝึกหัดอ่านหนังสือเขียนหนังสือ ความจําก็ชํนานาญความเขียนก็ชานาญการฝึกนาญตามกันมีการพิหัตตนในทางศาสนาเพื่อเป็นคนมีสมัติผู้ดีเป็นประจําภายในศิษในนิสัยเราต้องอาศัยการฝึกผลการอบรมอยู่เสมอเช่นเดียวกันนั้นทําไมจึงต้องฝึกทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องฝึกมีเป็นคําตอบ ในคำถามว่าทำมาจริงต้องถ้าไม่ฝึกก็ไม่ได้เรื่องขาดที่เราเลี้ยงไว้ในบ้านเราไม่ฝึกเลยปล่อยตามอาเภอใจของขัดเพราะไม่ค่เกิดประโยชน์เราต้องฝึกให้เขาทําหน้าที่ตามกําลังของเขาแล้วก็เกิดประโยชน์เป็นชูนักเราพยายามฝึกขัดให้เขารักษาบ้านรักษาสิ่งของเพื่อให้ภาพนั้น หยินี้มาให้เราเราพยายามฝึกหลายหนหลายครั้งเขาก็ทำได้ฝึกหัดให้รักษาบ้านก็ได้ให้รักษาสิ่งของก็ได้ให้รักษาเจ้าของก็ได้ล้วพยายามฝึกได้ตามขั้นของเขาในเราวันหนึ่งหนึ่งเราเคยได้นึกถึงพุทโธธรรมโมสังโฆหรือไม่ถ้าเราไม่เคยนึกเลยก็เทียบกับว่าจัดเป็นตะเกียงเลี้ยงดูไว้ในบ้านเท่านั้น ดือยความรักที่เคยหรือด้วยความสงสารทางฉนั้นก็ไม่คยเกิดประโยชน์ยิ่งกว่านั่นไปเราต้องฝึกจัดเ่านั่นให้ได้ประโยชน์ตามควรของเขาเราก็ได้รับประโยชน์จากเขามีการฝึกเราถ้าเราพยายามฝึกวันละเล็กและน้อยไปก็เกิดประโยชน์แก่เราจนเกิดความเคยชินถึ่เราฝึกหัดภ า, าวนาอ่า เราไม่เคยภาวนาเลยคําว่าภาวนานั้นคืออย่างไรเราก็ส้งศึกษาให้ทราบในเบื้องต้นที่ก่อนหรือคําว่าไม่เคยฝึกตนเลยคําว่าฝึกตนคือฝึกอย่างไรอีกก็เหมือนกันกับเราฝึกงานอื่นๆนั่นเองงานใดๆที่แรกเรายังไม่เคยทําเราต้องไปฝึกเสียก่อนท่าที่เรียกว่าฝึกงานคําว่าฝึกงานท่านทั้งหลายก็เข้าใจได้ดี ฝึกจนเป็นงานเมื่อเราฝึกจนเป็นการเป็งานแล้วงานที่เราได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วย่อมทํานี้ทํานามไม่ผิดพลาดนการฝึกตนก็เหมือนกันพยายามฝึกตนให้อยู่ในขอบเขตการไปการมาการรับการจ่ายหรือการแสวงหาการเมื่อได้มาแล้วการจับการจ่ายการเก็บรักษา เราจะควรเก็บรักษาอย่างไรบ้างจึงจะพอเหมาะกัควรกับฐานะของเราและรายได้ของเราจะไม่ขาดเสินไม่บกคล่องในการต่อไปเราก็ต้องพิจารณาแล้วเก็บแล้วจับจ่ายไปเท่าเส็นินมาควรนี่คือว่าเป็นการฝึกเช่นเดียวกันคุณงานจนได้จนเป็นงานแล้วได้เงินมาที่ได้เงินมาแล้วไม่ฝึกในวิธีเก็บรักษา ไม่ฝึกใช้วิธีจับจ่ายก็กลายเป็นคนชูรูชูร่าไปเมื่อเราฝึกทั้งงานจนผลงานปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเงินแล้วเราก็ฝึกวิธีเก็บรักษาอีกฝึกวิธีจับจ่ายควรเก็บรักษาไว้ประมาณเท่าไหร่ในเงินจํานวนนั้นึหรือสมบัตินั่นๆมีจํานวนเท่านั้ น, น, น, นเราจะควรจับจ่ายทใายสอยไปประมาณเท่าไหร่ควรเก็บไว้เท่าไหร่แล้วการจับจ่ายประนั้น เราควรจับจ่ายด้วยเหตุ่อใจบ้างมีความจําเป็นมากน้อยเพียงไรเราจึงจะจับจ่ายไปหรือจะต้องจับจ่ายไปหมดเพราะเงินนั้นเป็นสมบัติของเราเราจะช้าให้หมดทุกตตางก็ได้เงินอยู่ในอํานาจของเราใต้อำนาจของเราเราเป็นผู้หามาแต่ความจนก็คือเรานั่นแหละนี่เป็นสิ่งสําคัญเราที่เราต้องต้องฝึกให้รู้วิธีให้รู้เรื่องงานด้วยให้รู้การงานด้วยให้รู้วิ ผลของงานที่ได้มาแล้วเก็บรักษาและจับจ่ายใช้สอยจำนมากน้อยอย่างไรเพื่อความจําเป็นด้วยผู้ที่มีการฝึกตนอยู่เสมอทั้งเบงื้องต้นทากลางและมั่นปลายจะมีคือว่าเป็นผู้มีความรอบคอบงานก็เป็นเก็บเงินก็อยู่กลับจ่ายใช้สอยเงินก็เป็นอีกไม่สูญสุรา่าสมบัติเงินทองมีจํานวนมากน้อยไม่เป็นเครื่องทําลายนิสัยของตนให้เป็นคนมีนิสัยที่เขียบัด งานก็ได้ตนก็ไม่เสียเรียกว่าฝึกเป็นแล้วเป็นอย่างนั้นนอกจากนั้นอีกเราจะฝึกในส่วนอื่นๆอันนี้ยกเป็นขึ้นมาเป็นเอกเทศจะฝึกตนให้เป็นพลเมืองดีให้เป็นที่เย็นใจแก่แก่ตนและครอบครัวเราจะฝึกอย่างไงทั้งสามีและภรรยาจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรในครอบครัวนั้นๆที่จะให้เหมาะสม ให้เป็นความล่มเย็นเราก็ต้องฝึกต่างคนต่างฝึกตามหน้าที่ของตนเมื่อต่างคนได้รับการฝึกการอบรมจากตัวเองด้วยการรอบการเขียนอยู่เสมอจงมีความชํานิชำนานแล้วนั้นใครอยู่ที่ไหนเขียนก็เป็นข้อเป็นคําเป็นคนเป็นตัวอ่านก็ออกใช้งานใช้การได้ด้วยกันไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายจะไปทําหน้าที่การงานอันใดก็าตาม ในบ้านนอกบ้านถ้าสานงานกับใครก็ตามนอกสังคมในสังคมนอกบ้านในบ้านที่ไกลสี่ไกลที่รับหมูรับตาไปที่ไหนก็เป็นคนคงเส้นคงว า, ไ ม, าไม่เพื่อนฆ่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ทะเละทะลาะไม่เหลวไหลเพราะเราฝึกงานของเราเป็นแล้วตัวของเรานี่เหมือนโรงงานอันหนึ่งที่เราจะต้องฝึกให้ ท, นทนานี้ทานาน ทั้งการคองท่คองที่ทั้งการงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความได้ความเสียเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบในงานและผลของงานเราภายในตัวเนื่องจากเราอ่านเราไตรตรองเราทั้งเกยบตัวเองเราพยายามแก้ไขตัวเองอยูเมสมอมีวิธีฝึกงาน ถือเราว่าเป็นโรงงานหนึ่งทีนี้ฝึกการให้ทานก็พยายามให้ทานเสมอจะให้ขาดคนมีทิศใจในทานเป็นคนกว้างขวางนี่ว่าอภิยะไถ่ก็กว้างขวางไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวตัดความมัจฉัยยะความเห็นแก่ตัวความโลภโลเลได้เป็นลำดับลำดับ มีอำนาจของทานนี้จึงสามารถเข้าถึงจิตใจประชานคนคนอื่นได้เพราะใจที่มีทานย่อมเป็นไปด้วยความกวางขวางเป็นไปด้วยความเมตตาเป็นหลักสําคัญคนมีทานไปที่ไหนจึงไม่เป็นที่รังเกียจของใครท้งนั้นนอกจากนั้นแล้วทลักได้จนกระทั่งสิ่งที่หัวแหนงภายในจิตใจของตนจิงที่ ห, หัแหนภายในจิตใจนั้น คือเป็นสิ่งลึกลับท่านเรียกว่ากิเลตอาสาอัสสาที่นอนเรื่องอยู่ในจิตใจสัดานอำนาจของทานการเสียสละนี้สละเข้าไปตั้งแต่ขั้นหยาบจนเข้าถึงขั้นละเอียดสูงสุดสละไปได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนึ่ก็เพราะอำ น, นาจความเสียสละในการเป็นคนหมดความเหงแก่ตัวอยู่ความฝึกพยายามรักษาสีนคาว่ารักษาสีน ไม่จําเป็นจะต้องวิ่งไปหาพระแล้วอาราธนาผมเรื่องศีลเรื่องธรรมขึ้นอย่างนั้นอย่างมะยังทันเตติอะไรเรนสหะอันนั้นเป็นพิธีการอันหนึ่งแต่หลักของศีลของธรรมอันแท้จริงนั้นมีอยู่กับทุกคนใครรักษาอยู่ที่ไหนก็เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นทกินัดไม่ได้เลือกการสถานที่เห็นเรารักษากายของเราที่จะเป็นความกระทวกบเกิดอกินแก่ผู้อื่น ในทางความเสียหายเรารักษาเสียว่าจางเราพูดออกไปแล้วไร้สาระและเกิดโทษแก่ผู้อื่นเราก็พยายามรักษาไว้อย่าให้ระบายออกมาของไม่ดีเก็บรักษาไว้ภายในก็ดีเช่นอย่างของไม่ดีทั้งหลายที่เราเดินผ่านไปเราเห็นเราปัดกวาดไปเสียหรือไม่งั้นเราหลีกเล่นกระเสียเราจะไปเหยียบย่าไปตําหนิมันเช่นเดียวอย่างมูล แห่งมูลสดที่เราเดินผ่านมาตามถนนทางเราไปเห็นหน้าเราก็ไปตําหนิถ้ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์เราเดินหลีกหนีไปเสียมันก็มีอะไรก็ผ่านไปได้เรื่องความไม่ดีทั้งหลายแล้วพยายามอีกเลี่ยงไปเสียพยายามสร้างแต่ความดีไว้ภายในกายวาจาใจของตนก็เป็นคนมีสิริมงคลอุดมคติประจําตนเสมอคําว่าหีกเป็นอย่างนั้น สิ่งท่านยกไว้เป็นข้อๆปานาอจินาการเมมุสาุราห้าข้อแล้วเลวลาเราพิจารณาดูสิ่งจริงๆค้นหาสิ่งจริงๆนั้นจะมาอยู่ที่ไหนนอกจากตัวของเราเพราะพูดทําความเสียหายก็คือตัวของเราเองกายของเราวาจาของเราใจของเราเป็นผู้ข่ อ, ขอความเสียหายขึ้นมา การรักษาเรารักษาที่เราก็เป็นสิ่งที่มาเป็นธรรมขึ้นม า, า, าการาการฆ่าการทำลายหรือการเบียดเบียนอยันนี้ไม่ใช่เป็นของดีทํางนนเขามาฆ่าเราก็ไม่เป็นสิ่งที่พึงปราศถนาดเขามาเบียดเบียนเราเราต้องเจ็บใจอนี้เราไปทำ ทำลายเขาจะฆ่าเขาจะเบียดเพียนเขาเขาก็ต้องเสียหายและเจ็บใจไม่พึงปรารถนาด้วยใจถึงเรา น, นี้เป็นเครื่องปกครองตนและปกครองจิตใจซึ่งกันและกันไม่ให้เกิดความร้าวรานขึ้นมาไม่ให้เกิดความบอบช้ำไม่ให้เกิดความช้ำใจไม่ให้เกิดความอาฆาตบาดหมางซึ่งกันและกันเพราะเหตุ A, แห่งสีข้อนี้ เป็นตัวทําให้กาเการิกแห่งจิตใจศัตรูและบุคคลทั้งหลายอาินนาการจบการละไม่ใช่ของนีเป็นลัทธิของขัตไม่ใช่ลัทธิของมนุษย์ผู้รู้บุญรู้บาปเราพยายามรักษาสมบัติของเราทั้ในใดเรารักสมบัติของเราทั้ในใดพยายามรักษาทั้ในใดเขาก็ระลของเขารักษาของเขาทั่นนั้น สิ่งเหล่านี้มีคุณค่าเท่ากันนี่ก็คือการรักษานา้าใจกันเมื่อต่างคนต่างรักษาของตนต่างเห็นว่าของท่านของเรามีคุณภาพคุณสมบัติเสมอการต่างรักต่างสนุนด้วยกันแล้วไม่แต่ต้องทําลายต้องกันและกันโลกก็เป็นสุขโลกก็เยินเนี่ยหินทั้งห้าข้อนี้เป็นเครื่องปกครองโลกให้ได้รับความร่วมเย็นเป็นสุขตอบค่ถ้าได้ขาดตันนี้ไปเสีย ไม่ว่าใครจะเป็นผู้ขาดก็ตามเขาเรียกคนนั้นเป็นคนทั่วไม่ใช่เป็นคนดีถึงแม้จะฆ่าคนก็ตามแต่ฆ่ากล่าวซัดเต้องเห็นว่าเรานี่เป็นคนชั่วเห็นว่าเรานี้เป็นยักษ์คนหนึ่งตัวหนึ่งเหมือนกันไม่ต้องบ่าคนหนึ่งเป็นยักษ์ตนดีๆสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องพยายามรักษาให้มีอยูใ น, นตัวของเราโดยไม่ต้องไปรักษาไปสมาครทานกับพระก็ได้การสมาครทานกับพระนั้น เราศีท่านเป็นองค์ข้าพยามของเราเ่อเราได้รับปากรับคำเป็นสัตยาบาันสัญญากับท่านแล้วและ ว, ว่าตามท่านเมื่อไปผิดพลาดลงไปนี้เป็นความเสียหายมากเราก็ระอายใจใจของเราเราไม่กล้าทํามีหมายความอย่างนั้นต่างหากความเป็นศีนั้นเป็นอยู่ที่ความระเว้นไม่ได้เป็นอยู่ที่การสมาทานเฉยๆแล้วไม่ทําตามเพราะฉะนั้นศีจึงมีอยู่กับการทั้งรวมระหว่างการไม่ทํา การรัจากให้กําเริบในสิ่งที่ไม่ควรเรียกว่าศีลวันนี้เทศที่วัสุธระว่าจะอธิบายไปถึงข้อที่สามให้เกี่ยวโยงกับเรื่องความสามสัคคีเพราะศีลสามข้อ น, นี้เป็นการทำลายความสามสัคคีความกลมกลืนของจิตใจความสนิทของใจให้แตกร้าวไม่เป็นของดีเลยแยกอธิบายเรียนั่งกัเลยแยกะ เ, เดื่เปิดเ ป, ดเปนไปถึงไหนก็ไม่ขายังไม่ถึงข้อนิกาธุราไปเลย เพราะอธิบายตามเหตุผลนีอธิบายถึงการฝึกพบรมตนพยายามหัดอ่านหัดเขียนตัวเองให้หัดอย่างนี้ตัวของเราทุกคน เมื่อได้รับการฝึกตนเตือนตนแลนะพยายามแก้ไขดัดแปลงตามสิ่งที่ตนเห็นว่าไม่ควรจะต้องดัดแปลงแก้ไขล้วพยายามดำเนินตามนั้นจิตใจของเราก็ชินต่อการระมัดระวังแล้วไม่ทำกายวาจาก็ไม่คนองยอมเป็นไปเรื่องความสม่ำเสมอนี่ก็ เกิดขึ้นจากการรักษาการอบรมแนะอบรมภาวนานี่พยายามฝึกขัดภาวนาคำว่าภาวนานั้นมีหลายประเภทภาวนาให้จิตใจสงบด้วยบทบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธเป็นต้นหรือกำหนดธนาคาหน้สติ คือลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมอั่งนี้ก็เรียกว่าภาวนาคือเอาลมเป็นอารมณ์ของใจทําความรู้สึกไว้กับลมที่ผ่านเข้าออกเราจะตั้งลมที่ตรงไหนที่ลมสัมผัสมากกว่าเพื่อนในบรรดาที่ผ่านของลมเช่นดั้งจมูกเป็นต้นแล้วก็ทําความรู้สึกไว้กับลมโดยความมีสตินี่ก็เรียกว่าภาวนา ความสงบของใจภาวนาอีกประเภทหนึ่งได้แก่ปัญญาพิดอ่านใจตรองไม่ว่าเรื่องจะสัมผัสมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจดีชั่วประการใดพิ่จะนาเหตุผลค่าควรในสิ่งเหล่านั้นจนได้รับประโยชน์ขึ้นมาจากสิ่งที่จะมาสัมผัสทั้งหลายนั่นก็เรียกว่าภาวนาแล้วแต่จะดีนิสัยของท่านผู้ใดที่จะชอบในการสึกผลอบรม เพื่อผลประโยชน์แก่ตนการทำํำเหล่านี้ทําเพื่อเราทั้งนั้นไม่ได้ทําเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อพระธรรมไม่ได้ทำเพื่อพระสงฆ์องค์ใดเพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการทําทั้งหมดนั้นเราเป็นผู้กอดเหตุแห่งความดีทั้งหลายผลจะเป็นของเราโดยลำโดยเฉพาะไม่มีท่านผู้ใดจะมาแบ่งสรรปันส่วนจากเราจรึงควรพยายามทําสิดที่ควรทําอันจะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนทั้งปัจจุบันและอนาคต ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านว่าจิตโฉมนุษย์ปักกีาโผ่มีหลักธรรมท่านว่าแบบนั้นการเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดได้ยากท่านว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งนี้รู้สึกว่ายากท่านว่าความเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากประเพศหนึ่งยาก่นี้หนึ่งแต่ความฝึกหัดให้มัน ความเป็นมนุษย์ของเรานี้สมบูรณ์แบบนั่นก็เป็นของยากอีกประเภทที่สองเรื่งความเป็นมนุษย์เฉยๆนั่นก็ไม่ยากนะยากที่เราจะฝึกมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาแล้วให้เป็นผู้เป็นคนสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษยธรยรมฟังจิตฟังใจฟังอัดฟังธรรมลงในใจิตใจให้ใจนั้นได้รับเหตุรับผลดีชั่วรู้จักยึดยี หลอกอีกในสิ่งที่เปนทัยแต่ตนเองและพูดอื่นนั่นหละเป็นสิ่งสําคัญเราพยายามฝึกหัดตนของเราอยานั้นแต่เพราะอย่างยิ่งการพึกหัดภาวนาควรจะให้มีภายใ น, ในใจิตใจคนที่มีหลักศิตภาวนาย่อมเป็นคนผู้มีเหตุมีผลให้ควรอยู่เสมอทําอะไรก็ไม่ค่อยผิดพ้าไม่ค่อยโกรธง่ายไม่ค่อยขิ้เขียว ง, ง่ายๆ ไม่ค่อยววางทำอะไรมีเหตุมีผลเป็นความสม่ำเสมอเพราะหลักภาวนานได้จะหลักปัญญาไตรตรองหาเหตุผลดีทั่วแล้วดำเนินทางที่เห็นควรอังนี้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็เห็นจะเหนือนกันมากเพราะสมุกธํามันในงานมาท้านานของวันสามวันฟ่อนซริ แสดงคำย่อๆกันคนนี้น่หประทั่ใจวังแล้วมเดีมอนไม่เข้ข อ, อกันยังไม่พอกัน